เจริญธรรมสาธุชนทั้งหลายในเบื้องแรกนี้จะขอนำเสนอบทกวีหอมกลิ่นกระตันอยู่ซึ่งเป็นบทกวีที่เขียนจากการอ่านหนังสือ พระมหากษัตริย์ยอดกะตันยูเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยพันเอกพิเศษทองคำศรีโยทินอรรมาได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเห็นว่าน่าประทับใจจึงนำมาเขียนเป็นบทกวีหอมกลิ่นกะตันยูดังนี้ดอกไม้รวยริน กลิ่นหอมลอยลมดมดอมหอมได้กระตันยูชูกลิ่นขจรไกลพูดใดกระตันยูเป็นผู้ดีพระราชาเป็นสง่าแห่งรัฐประหยัดเป็นสมบัติเศรษฐีทุกขมากเป็นที่มาแห่งบารมีหน้าที่ เป็นบรรทัดปฏิบัติธรรมฟังอีกนะดอกไม้รวยรินกลิ่นหอมลอยลมดมดอมหอมได้กระตันยูชูกลิ่นขจรไกลพูดใดกระตันยูเป็นผู้ดีพระราชาเป็นสงงาแห่งรัฐประหยัดเป็นสมบัติเศรษฐี ทุกมากเป็นที่มาแห่งบารมีหน้าที่เป็นบรรทัดปฏิบัติธรรมโดยปกติจะนำเสนอบทกวีสามรอบดอกไม้รวยรินกลิ่นหอมลอยลมดมดอมผอมได้กะตันยูชูกลิ่นขจรไกลผู้ใดกะตันยูเป็นผู้ดีพระราชาเป็นสง่าแห่งรัฐ ประหยัดเป็นสมบัติเศรษฐีทุกมากเป็นที่มาแห่งบารมีหน้าที่เป็นบรรทัดปฏิบัติธรรมเริ่มจําได้แล้วเพราะนั้นขอเรียนบอกกับพี่น้องว่าความดีงามที่เกิดขึ้นจากบทกวีนี้เราขอถวายเป็นพลังจิตแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ ผู้ที่เรียบเรียงหนังสือนี้พระมหากษัตริย์ยอดกะตันยูจากการที่อ่านจนจบเล่มได้เขียนบทกวีเรื่องลูกของแผ่นดินเป็นเรื่องต่อเนื่องจากหอมกลิ่นกะตันยูก็กลายเป็นลูกของแผ่นดินหอมกลิ่นกะตันยู ลูกชายช่ำชองประคองแม่เหลียวแหลรอบรายซ้ายกว่ามือลูกจับมือแม่ผู้แก่ชราใจมั่นกะตันยูตาอยู่ท่าเดียวด้วยแรงแห่งรักประจักแล้วก็ลูกแก้วเฝ้าแหนแน่นเหนียวแม้งานลูกมากยากจริงเชียว ก็แลเหลียวมานดามาก่อนใดลูกกินข้าวเย็นเห็นหน้าแม่ก็อิ่มแปรในอุราจะหาไหนแม่กินข้าวเย็นเห็นหน้าใครมิอุ่นใจเท่าลูกยาหน้านิยมห้าวันหนึ่งสัปดาหเห็นหน้าแม่มวนผักเผื่อแผ่ความสุขสม ของชอบของชิมอิ่มอุดมแม้อร่อยในอารมณ์สุกอุราเห็นลูกน่ารักกราบตักแม่คุกเข่าแน่วแน่อยู่เบื้องหน้าพนมมือใจมั่นกะตันยุตาก้มหัววันทาน้อมคารวะแม่ลูกรุ่งเรืองกระเดื่องเดทก็ เ, เป็นลูกมาตัวเรศผู้เสียสละ กระาบนี้เล็กน้อยไปหน่อยนะจักจริงจังตั้งสัจดิเทอดพระคุณ วันสุดท้ายไ ม, าไม่เคยระแคะระคายเคืองคุณลูกยังคงไปหาไปการุณ น, นอกนบอบอุ่นแดมานดาเนิ่นนานผ่านไปเร็วไวนักเมื่อลูกรักหันเหกลับเคหาโทรศัพท์รับสายสลายอุรา แม่นอนมรณาเมื่อกี้นี้ต้มหน้านอบนอบกับศพแม่ดวงแดดดุจจะดับหลับตาปีเมื่อลืมตาหลังน้ำตาดังวารีมือหวีผมแม่แม้มวยหมอนโอ้พระคุณมารดาในล่าโลกพาใจไหวโยกมิหยุดหย่อน ศพแม่เผาไหมกับไฟฟอนแต่พระคุณมารดออยังเหมือนเดิม ไปเป็นพระปลาโชวาทสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีคือสมเด็จย่าคนดีของฉันหรืจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปดไม่สอพลอไม่อิจฉาลิษยาไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆแต่พยายามทําหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรธมท่านทั้งหลายคงจะคุ้นกับข้อความเหล่านี้เพราะว่า ได้รับการเผยแพร่อย่างมากทีเดียวอะต่อไปเป็นเนื้อหาสาระพระมหากษัตริย์ยอดกะตันอยู่เรียบเรียงโดยพันเอกพิเศษทองคำศรีโยทินลูกๆทุกคนย่อมรู้กันอยู่แล้วว่าความหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีสามความหวังและเป็นความหวังที่พ่อแม่รอคอยอยู่เสมอแต่จะไม่ค่อยพูดให้ลูกฟังเพราะ เป็นความหวังอย่างลึกๆที่อยู่ในใจของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาสามความหวังนั้นก็คือยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ถ้าท่านจะเติมต่ออาดามาก็ยินดีนะจะมอบหนังสือให้เล่มหนึ่งนะสำหรับคนที่สามารถเติมต่อบทกวีนี้ได้ครบถ้วนนะยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ต่อสิ มีเสียงโยมเสียงกระซิบประดามาจะได้ยินได้ไงโยมยำเจ็บไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษ า, า, กษาแล้วต่อไปลรโยมต่อไปก็นั่งยิ้มแห้งๆนะงัะ้นไม่เป็นไรโยมยำแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจนี่คือความหวังของพ่อแม่เป็นความหวังลึกๆทีนี้มาดูตัวอย่างบ้างบุคคลที่เป็นยอดกระตันอยู่ที่ประทับใจอาจารย์มากที่สุดคือใครทราบไหมคือคนในภาพนี้ในหลวงของเรา ในหลวงนอกจากจะเป็นยอดพระหมหากษัตริย์ของโลกเป็นเดอะคิงออฟคิงแล้วในหลวงของเรายังเป็นกษัตริย์ยอดกระตันอยู่ด้วยความหวังของแม่ทั้งสามความหวังในหลวงปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเราในหลวงทำกับแม่อย่างไงตามอาจารย์มาอาจารย์จะฉายภาพให้เห็น เป็นภาพที่ประทับใจมากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านกระตันยูต่อพ่อแม่ประคองแม่เดินตามมาจะพาไปดูภาพต่อไปเป็นภาพพระเจ้อยู่หัวประคองแม่มีอยู่สองภาพโดยมีพัตรบิดกกำกับข้างล่างภาพว่าสุขา มัตเตยตาโลเกความเคารพรักบำรุงมาดานำมาซึ่งความสุขในโลกความหวังที่หนึ่งยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ใครเคยเห็นภาพที่สมเด็จย่าเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วมีในหลวงประคองเดินไปตลอดทางเคยเห็นไหมใครเคยเห็นกรุณายกมือให้ดูหน่อย ขอบคุณเอามือลงในนี้เขาเขียนไว้นะซึ่งโยมยกมือก็ดีแล้วตอนสมเด็จย่าเสด็จไปไหนเนี่ยมีคนเยอะแยะมีทหารมีองครักษ์มีพยาบาลที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่ในหลวงบอกว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่ของเราเราประคองเองไม่ต้องคนนี้เป็นแม่ของเรา เราประคองเองตอนเด็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทอิดพระคุณท่านไม่ต้องอายใครเป็นภาพที่ประทับใจมากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านกระตันยูต่อแม่ประคองแม่เดินประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จสองข้างทาง ฝั่งนี้ห้าพันคนฝั่งนู้ดแปดพันคนยกมือขึ้นสาธุแท ส, สองสารเสริญกษัตริยยอดกระตันอยู่ล้องหันมาดูพวกเราส่วนใหญ่เวลาออกไปไหนแต่งตัวก้ลูกชายแต่งตัวก้ลูกสาวแต่งตัวสวยแต่เวลาเดินไม่มีใครประคองแม่กลัวไม่ก้กลัวไม่สวยข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ติดเหรียญตราเหรียญกล้าหารเต็มหน้าอกแต่เวลาเดินไม่กล้าประคองแม่กลัวไม่สงา่ากลัวเสียศักดิ์ศรีประคองแม่เป็นเรื่องของคนใช้จริงไหมประคองแม่เป็นเรื่องของคนใช้หรือให้พยาบาลเนี่ยที่ดูแลแม่เนี่ยประคองแม่ เวลาทำดีไม่กล้าทำอายเวลาทำชั่วกล้าไม่อายใครที่เห็นภาพนี้ที่ไหนกรุณาซื้อใส่กรอบแล้วเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้สอนลูกเห็นภาพชัดเจนไหมครับนในหนังสือนี้ก็จะชัดเจนในทรทัศน์ก็จะชัดเจนเท่านั้นยังน้อยไปมาดูภาพที่ชัดเจนกว่านั้น หลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้วราชาเลขาของสมเด็จย่ามาถแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่าก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเสษตอนนั้นอายุ9กบสาในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตไปวังสะประทุมตอนเย็นทุกวันไปทำไมครับไปกินข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจ พอเขาถแถลงถึงตรงนี้อาจารย์ตกตะลึงโอ้โหขนาดนี้เฉลือในหลวงของเราสเสด็จไปกินข้าวเย็นกับแม่สเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่สัปดาหล์าหาาหาหาหละกี่วันทราบไหมครับนายแน่มากห้าวันใช่ไหมถูกต้องสัปดาห์ละกี่วันทราบไหมครับพวกเราทราบไหมครับสัปดาห์ละกี่วัน ห้าวันมีใครบ้างครับที่อยู่คนละบ้านกับแม่แล้วไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันหายากในหลวงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันพวกเราสี่เจ็ดสีแปดสี่เก้าร้อยเอกพลตรีอธิบดีประกาศสวงเนี่ยไม่เคยไปกินข้าวกับแม่บอกว่างานยุ่ง แม่บอกว่าให้พาไปกินข้าวหน่อยบอกว่าไม่มีเวลาจะไปตีกอล์ฟไม่มีเวลาพาแม่ไปกินข้าวแต่มีเวลาไปตีกอล์ฟเห็นตัวเองหรื อ, อยังพอแม่พ่อแม่พอแก่แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งฝนตกน้ำซอะอีกไม่นานก็โค่นพอถึงวันนั้นเราก็ไม่มีแม่ให้กราบแล้ว ใหหลวงจึงตัดสินพระไทยไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันเมื่อตอนสมเด็จย่าอายุเก้าสิบสามสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันคือตอนไหนก็เหมือนกันนีสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันอ่านติดกันเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ๋อตอนนั้นนะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันนะเรื่องวักตอนนี้สําคัญนายโยมน ะ, ะถ้าอ่านติดกันก็จะเข้าใจว่าเมื่อตอนสมเด็จย่าอายุเก้าสิบามสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันนะ จริงๆเขาอยู่คนละบันทัดกันนะนะไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันเมื่อตอนสมเด็จเนี่ยอายุเกสบสามสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันในหลวงไปกินข้าวกับแม่ห้าวันอีกสองวันไปไหนครับด็อร์เฉลิศิลวันองคมนตรีบอกว่าในหลวงถือศีลแปดวันพระในหลวงถือศีล8ปดวันพระนะฟังไว้นัยยมนะ ถือศีลแปดนี้ยังไงต้องอดเข้าเย็นเลยไม่ได้ไปหาแม่วันนี้เพราะถือศีลอีกวันหนึ่งที่เหลืออาจจะกินข้าวกับพระราชินีกับคนใกล้ชิดแต่ห้าวันให้แม่เห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมนี่เป็นภาพในจอใจของญาติโยมแต่ละผู้แต่ละคนเนาะตอนนี้เราขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยไปดูตอนกินข้าวไปนโยมนะไปด้วยกัน ไปดูตอนกินข้าวทุกครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงจะเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จแล้วก็หอมแก้มลูกกราบแม่กอดนึกถึงภาพที่โยมลูกกราบแม่กอด เป็นความรักที่ลูกมอบให้กับแม่เป็นความรักที่แม่มอบให้กับลูกลูกกราบแม่กอดทุกครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จยา่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จก็หอมแก้มใครเคยเห็นภาพสมเด็จยา่า หอมแก้มในหลวงบ้างมีมโยมิมมีเนาะใครเคยเห็นภาพสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงบ้างภาพนี้ถ้าใครมีต้องเอาไปใส่กรอบเป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างยอดเยี่ยมตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงอาจารย์คิดว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไหรอ่ะเพราะไม่ได้ใส่น้ำหอม แต่ทำไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวงเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวงหอมกลิ่นกตันอยู่ไม่นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกระตันอยู่ขนาดนี้จะรักแม่ขนาดนี้ เ, เนื้อหาสาระตรงนี้นี่แหละเป็นที่มาของบทกวีที่ลงในไทยโพสตหอมกลิ่นกระตันอยู่ อาดามานำไปเขียนเพราะฉะนั้นความดีความชอบเนี่ยก็ต้องถวายแก่ในหลวงนะและก็มอบให้กับผู้เรียบเรียงหนังสือนี้อาดมาเป็นเพียงผู้เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์เท่านั้นเองเขียนว่าดอกไม้รวยรินกลิ่นหอมลอยลมดมดอมหอมได้กตันยูชูกลิ่นขจรไก่พูดใดกระตันยูเป็นผู้ดี พระราชาเป็นสง่าแห่งรัฐประหยัดเป็นสมบัติเศรษฐีทุกมากเป็นที่มาแห่งบารมีหน้าที่เป็นบรรทัดปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเนื้อหาสาระที่เก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์ต่อเพราะนั้นเวลาเราเก็บเกี่ยวสิ่งใดมาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องยกย่องให้เกียรติแก่คนที่เป็นเจ้าของความคิดเดิ ม, มะนะ ต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดเองหรอกเรานาความคิดของเขามาขยายผลต่อดังนี้เนื้อหาสาระตอนต่อไปตัวแม่เองคือสมเด็จย่าไม่ได้เป็นเชื้อพระวง์เป็นคนธรรมดาสา ม, มัญชนเป็นเด็กหญิงสังวานเกิดหลังวัดอนองเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนกับพวกเราทุกคนในที่นี้ในหลวงเนะ่เกิดมาเป็นพระองค์เจ้า เป็นลูกเจ้าฟ้าปัจจุบันเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก้มลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพแม่กระตันอยู่แม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนพอเป็นใหญ่เป็นโตไม่กล้าไหวแม่เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้างไม่เคารพแม่ดูถูกแม่ แต่นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัวนี่แหละครับความหอมหอมกลิ่นกระตันยูไงนี่คือเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งท่านหอมความดีหอมคุณธรรมหอมกระตันญูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะสเสวยตอนกินข้าวนี่ปกติแค่เห็นลูกมาเยี่ยมก็ชื่นใจแล้วนี่ลูกมากินข้าวด้วย โอ้ยยิ่งปลื้มใจแม่ทั้งหลายลองคิดดูสิอะไรอร่อยอร่อยในหลวงจะตักใส่ช้อนแม่อันนี้อร่อยแม่ลองทานหรือว่าแม่ชอบทานผักก็หยิบผักมามว้มวนๆใส่ช้อนแม่อา้าวแม่ทานซะอา้าวแม่แม่ทานซะของที่แม่ชอบ แทนที่จะกินสามคำสี่คำก็จะเรินอาหารกินได้เยอะเพราะมีความสุขที่ได้กินข้าวกับลูกมีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส่กินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับแม่ในหลวงดํารัดกับแม่ว่าไงทราบไหมเยี่ยมในหลวงดํารัดกับแม่ว่าไงทราบไหมถามอีกครั้งหนึ่ง ในหลวงดำรัดกับแม่ว่าไงทราบไหมไม่ทราบดีแล้ ว, ลวจะบอกให้ทราบตอ น, นตอนในหลวงเด็กๆตอนในหลวงเด็กๆแม่เคยสอนอะไรที่สำคัญในหลวงดำรัดว่าอยากฟังแม่สอนอีกอยากฟังแม่สอนอีกท่านทงหลายตอนนั้นสมเด็จย่าอายุ เก้าสิบขึ้นนะนะในหลวงก็คงจะสักประมาณประมาณเท่าไรฮะแน่นอนว่าต้องเกินหกสิบอ่ะนะแน่นอนว่าต้องเกินหกสิบก็เป็นผู้สูงอายุแล้วอ่ะนะแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วในหลวงก็ดํารัดกับแม่ว่าอยากฟังแม่สอนอีกคิดดูกันแล้วกัน เป็นยังไงบ้างเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศอยากฟังแม่สอนอีกพวกเราเป็นยังไงเราคิดว่าเรารู้มากเราเรียนสูงเรามีปริญญาแม่จบป .4 เวลาแม่สอนตะคอกแม่ตะหวาดแม่กระทึบเท้าใส่แม่เบื่อจะตาาอยู่แล้วรำคาญพูดจาซ้ำซากเมื่อไรจะหยุดสทียเราเหยียบย่ำหัวใจแม่จริงไหม หลายคนน่ะเป็นเน่เราเหยียบย่ำหัวใจแม่แต่นี้กลับไปสู่สมเด็จยาโดยในหลวงได้เล่าให้ฟังว่าแม่บอกว่าลูกอยากได้จักรยานลูกก็เก็บสตังค์ที่แม่ให้ไปกินที่โรงเรียนไว้สิสมเด็จยาบอกในหลวง่ะนะเก็บมมหยอดกระปุกวันละเหรียญสองเหรียญพอได้มากพอก็เอาไปซื้อจักรยานนี่คือสิ่งที่แม่สอน เวลาในหลวงตอนเล็กๆอยากได้จักรยานสมเด็จย่าซึ่งเป็นแม่บอกว่าก็เก็บหยอดกระปุกยอนกระปุกสิเอาเงินรวบรวมไปซื้อจักรยานเนี่ยท่านั้งหลายวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยน่าจะเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังของสมเด็จย่าแบบนี้นี่แหละแม่สอนอะไรทราบไหมครับ ถ้าเป็นพ่อแม่บางคนพอลูกขอก็รีบกดปุ่มเอทเอมให้เลยอ่ะประเคนให้เลยลูกก็เลยฟุ้งเฟอ้อฟุ้มเฟอือยเหลืองและหลงตัวเองพอโตขึ้นขับรถเบนซ์ชนตำรวจก็ได้ยิงตำรวจก็ได้เพราะหลงตัวเองพ่อตนใหญ่เห็นไหมตามใจเทิดทูนจนเสียคนแต่สมเด็จย่านี่เป็นยอดคุณแม่สร้างคุณธรรมให้แก่ลูก ลูกอยากได้ลูกต้องเก็บสตังค์ที่แม่ให้ไปหย่อนกระปุกในหลวงเล่าว่าแม่สอนสองเรื่องคือให้ประหยัดให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีจะมาไปใช้ในบทกวีด้วยนายโยมนะความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครสอนลูกให้ประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้กับลูก ความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครสอนให้ลูกประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้กับลูกจริงไหมความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครสอนให้ลูกประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้กับลูกปรากฏว่าเมื่อในหลวงนำเงินหย่อนกระปุกตอนนั้นยังไม่ได้เป็นในหลวงน เป็นลูกชายตัวเล็กๆของแม่แเมื่อนาเงินยนต์กระปุกจนถึงวันปีใหม่แล้วอะไรเกิดขึ้นทราบไหมเพราะถึงวันปีใหม่สมเด็จย่าก็บอกว่าอา้าวปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันเอา้าแคะกระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมนะ่ะมากกว่าเงินที่มีในกระปุกอีก นั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกก็ไม่ต้องเก็บเงินให้มากจนถึงขณะที่ไปซื้อจักรยานหรอกแค่ให้ลูกเก็บเงินเนี่ยแม่ก็ชื่นใจแล้วพอถึงปีใหม่ก็ไปซื้อจักรยานเงินไม่พอแม่เติมฮะนั่นแสดงว่าจริงๆแม่ไม่ต้องการที่จะทวงเวลาหรือไม่ต้องการที่จะปิดกั้นโอกาสการมีจักรยานของลูกอะ่ะคืออยากจะให้ลูกมีจักรยานแต่ไม่ต้องการจะให้ลูกเนี่ย รีบมีจกักรยานตามใจลูกอ่ะให้ลูกรู้จักอดทนรอคอยนะเนยสะสมเริ่มจากตัวของลูกก่อนมีเมตตาให้เงินลูกให้ไม่ให้เปล่านะสอนลูกด้วยสอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรต้องเริ่มจากตัวเราคำสอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนทุกวันนี้เขาบอกว่าในสวนจิตเนี่ยคนที่ประหยัดที่สุดคือ โยมใครรู้ไหมในสวนจิตเนี่ยคนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงประหยัดที่สุดทั้งประหยัดน้ำประหยัดไฟเรื่องฟุงเฟอ่อฟุ่มเฟอือยไม่มีเป็นอันว่าภาพนี้ชัดเจนโยมต้องเข้าใจนะว่าผู้ยิ่งใหญ่จํานวนมากจะมีลักษณะเหมือนกันนะนะไม่เฉพาะแต่ในหลวงหรอกสังเกตดูผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้ที่ มีคุณธรรม嘛เนะคำว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่านี่คือยิ่งใหญ่ในทางธรรมเนะี่ยมีชื่อเสียงมีกิตติคุณได้รับการเคารพยกย่องมากๆในทางที่ดีเนะี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยจะประหยัดสุดๆประหยัดแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวนะไม่ใช่ประหยัดแบบธรมรมดาาจะเหมือนกันหมดเราจะเห็นภาพในหลวงจับแขนสมเด็จย่าคือประคองแขนนะ่ แล้วก็เดินไปได้วยกันมีพระบาลีกำกับอยู่ข้างล่างภาพว่าปุปพาจริยาติวุจเรมาดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพจารย์ของบุตรแล้วก็มีภาพหลายภาพอยู่อีกหน้าหนึ่งมาตามิตตังสเกคารมาดาเป็นมิตรประจำบ้านมานดาเป็นมิตรประจำบ้านดังนี้ภาพ ในหลวงประคองสมเด็จย่าสมเด็จย่ายิ้มแฉ่งเฉียวอะอาหุเนยยาจะปุดตานังมาดาบิดาเป็นที่นับถือของบุตรเ่ยมไ้มภาพในหลวงประคองแขนสมเด็จย่าสมเด็จย่ายิ้มแฉ่งเห็นฟันเลยทีเดียวอ่นเนะเหมือนสาวน้อยสดใสเหมือนสาวน้อยอะอาหุเนยยาจะปุตตานังอาหุเนยยาจะปุดตานัง มาดาบิดาเป็นที่นับถือของบุตรและก็มีภาพในหลวงเดี่ยวอยู่หนึ่งภาพราชารัชศักดปัญญางพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแควนอาดามาจึงนำไปเขียนเป็นบทกวีไงราชาเป็นสง่าแห่งรัฐอันนี้เป็นถ้อยคําที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกราชาเป็นสง่าแห่งรัฐ เนื้อหาสาระตอนต่อไปเป็นภาพสมเด็จย่ากำลังโกนผมให้ในหลวงอตอนที่สรงพระนวดและวต่อมาก็มีภาพสมเด็จพระบรมราชินีนาดนั่งอยู่ชิดกับนาคในหลวงเนี่ยนะซึ่งเป็นนาคเตรียมบวชแล้วก็แม่คือสมเด็จย่าเนี่ยเอามือคล้องแขนในหลวงในชุดนาคโดยแม่เนี่ยก็นั่งหัวเราะ เห็นฟันเลยทีเดียวอ่ะหัวเราะปากกว้างในว่ามีความร่าเริงบันเทิงเบิกบานแจ่มใสามากที่สุดร่าเริงบันเทิงเบิกบานแจ่มใสามากที่สุดเราดูภาพนิดนึงก็จะเห็นรอเขาหน่อยเพราะว่ากล้องเขาจะค่อยๆระเมียดละมัในการฉายให้พวกเราดูนะเป็นภาพพระราชินีนั่งอยู่ด้านซ้ายเป็นภาพในหลวงในชุดหน้านั่งอยู่ตรงกลาง เป็นภาพสมเด็จย่านั่งอยู่ริมด้านซ้ายในหลวงแล้วก็หัวเราะยังมีความสุขที่ลูกชายกำลังจะบวชทดแทนพระคุณแม่โยจัตตามนัสโวบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรที่เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐภาพต่อไปนีสิทธาทั้งหลายไม่ดูไม่ได้เลยะเนะเป็นภาพสมเด็จย่า หอมแก้มในหลวงภาพนี้ท่านทั้งหลายไม่ดูไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะมีปรากฏหน้าจอโทรทัศน์เป็นภาพสมเด็จยา่าหอมแก้มในหลวงเป็นภาพที่แสดงถึงความรักที่ลูกมีต่อแม่และแม่มีต่ลูกดูซินั่นมือนะที่โอบไหลลูกชาย ดูสินั่นลูกชายที่ก้มหน้าลงมาซบ อ, อยู่กับหน้าแม่ดูสินั่นมือของลูกชายที่ประคองหลังแม่เป็นภาพที่เราควรจะต้องน้อมนำมาใส่จิตใส่ใจนะเนื่องเหนือ ง, เ, องเสมอเสมอ โยมาตรังปิตรังวามัจโจธรรมเมนะโปสติอิเทวะนางประสังสันติเปต จ, จะสักเคประโมทติพูดใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้เขาละไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์ยอมต้องเข้าใจนะการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ย่อมได้รับบุญกุศลเนนะี่ยทั้งในชาตินี้ ทั้งต่อเมื่อตายไปแล้วเป็นการสั่งสมบุญกุศลคือความดีทุกอย่างเนี่ยไม่เฉพาะแต่เรื่องกตันยูกะตะเวทิตาหรอกความดีประเภทใดๆก็ตามเมื่อทำความดีเนี่ยย่อมได้รับความสุขในในภพนี้และย่อมได้รับความสุขในสวรรค์อันนี้เป็นเนื้อหาสาระที่ควรแกการนำมาใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนีที่ปรากฏในภาพทางโทรทัศน์เนี่ยนะ ก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งจากกรณีที่ในหลวงสมเด็จย่าแสดงความรักตามแบบที่แม่ลูกพึงปฏิบัติต่อกันและกันก็คือการที่สมเด็จย่าหอมแก้มลูกชายะนะได้แก่ในหลวงในหลายมุมมีพระตรบิดกกล่าวประกอบข้างล่างภาพว่าภูมิเวบปริสาหนังกระตันยูกระตเวทิตา ความกระตันญยูกระตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีส่วนภาพเดี่ยวขวามือนั้นเป็นภาพในหลวงสงา่าแจ่มใสทันโตเศธโหมมนุษย์เสสุผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ในหน้าถัดไปอันนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ใครไม่เคยเห็นในหลวงก้มลงกราบแม่เนี่ยกรุณนาดูให้ชัดๆกรโรนาดูให้ชัดๆในหนังสือเล่มนี้เป็นการนั่งคุกเขา่าเป็นการนั่งคุกเขา่าก้มลงอะนก้มลงมากเลยทีเดียวอะนั่งคุกเข่ากับพื้นแล้วเนี่ยยังก้มลงอะนน้อมศีรษะเข้าไปกราบแม่ ในจอโทรทัศน์เผยแพ่อยู่เป็นการนั่งก้มลงก้มลงกับพื้นคือคุกเข่ากับพื้นแล้วก็ก้มลงเบื้องหน้าแม่พอดีแม่นั่งอยู่บนเตียงนะพอดีแม่นั่งอยู่บนเตียงเพราะนั้นแม่ก็เอื้อมมือซ้ายเนี่ยมาคงเข้าใจว่าคงจะเป็นการลูบหัวลูกหรือจะเป็นการนำมือมาสัมผัสอยู่กับ หลังลูกอะแหละเป็นสภาพนั้นเป็นการแสดงความเอื้ออาทรเป็นการแสดงความรักอย่างชัดเจนนะนที่แม่พึงแสดงออกต่อลูกและลูกพึงแสดงออกต่อแม่ภาพนี้นี่อยากจะให้พี่น้องของเราแต่ละคนเนี่ยนำไปขยายผลให้ลูกของเราได้มีโอกาสดูนะให้หลานของเราได้มีโอกาสชมและ ซึมซับประทับใจเนี่ยไปสู่การปฏิบัติสืบต่อไปมาชาติงปุชฉะจรนัจจะปุจฉะอย่าถามถึงชาติกำเนิดเลยจงถามถึงความประพฤติความหวังที่สองยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาดูว่าในหลวงทากับสมเด็จย่าอย่างไงสมเด็จย่าประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชในหลวงไปเยี่ยมตอนไหนครับ ไปเยี่ยมตอนตีหนึ่งตีสองตีสี่เ ส, เสร็จจึงเสด็จกลับไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมงแม่พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยมมาประทับก็ต้องฟิตตามไปด้วยต้องปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะให้ยายังไงจะเปลี่ยนยาไหม จะปรับปรุงการรักษายังไงให้ดีขึ้นทำให้สมเด็จย่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเห็นภาพไหมกลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายชั่วโมงไปให้ความอบอุ่นทุกคืนลองหันมาดูตัวเราเองสิตอนพ่อแม่ป่วยลองหันมาดูตัวเราเองสิตอนพ่อแม่ป่วยโผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยนึงถามว่า ตอนนี้อาการเป็นยังไงพ่อแม่ยังไม่ทันตอบเลยฉันมีธุระงานยุ่งต้องไปแล้วโผล่หน้าไปให้เห็นพอเป็นมารยาทโผล่หน้าไปให้เห็นพอแค่เป็นมารยาทแล้วก็กลับเราไม่ได้ไปเพราะความกระตันอยู่เราไม่ได้ไปเพื่อทดแทนพระคุณท่านหน่าอายไหมในหลวงเสด็จไปประทับกับแม่ตอนแม่ป่วย ไปทุกวันไปให้ความอบอุ่นประทับอยู่เวลาหลายชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ในหลวงทำคราวหนึ่งในหลวงป่วยสมเด็จย่าก็ป่วยไปอยู่ศิริราชด้วยกันอยู่คละมุมตึกตอนเช้าในหลวงเปิดประตูแอดออกมาพยาบาลกําลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวง พอเห็นแม่รีบออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาดเล็กกราบทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วได้หลวงมีรับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้แม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้ นิขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ยังมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ป้อนยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่เลี้ยงหัวใจแม่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นภาพนี้แล้วซาบสิงต่อไปก็เป็นภาพหลากหลายนะเป็นภาพที่ในหลวงนั่งโตตอนที่ในหลวงยังหนุ่มอยู่นั่งโตอยู่กับ สมเด็จย่าผู้เป็นแม่แล้วก็มีการชี้ให้ดูหนังสือเล่มหนึง่งะนะก็ดูจะเป็นภาพต่างๆน า, นานาหรืออะไรก็สุดแท้แต่โดยมีพระบาลีกำกับใต้ภาพว่าสุขามัตเตยตามัตเตยตาโลเกสุขามัตเตยตาโลเกปฏิบัติชอบตอมานดาเป็นความสุขในโลกส่วนภาพที่ ในหลวงมีพระชนมายุมากขึ้นสมเด็จย่ามีพระชนมายุเท่าชแชรเรแก่ชรา<ม>ก็เป็นภาพที่ทั้งสองพระองค์กาลังประคององค์ซึ่งกันและกันนะนะก็คือหมายความว่าในหลวงก็ประคองสมเด็จย่าสมเด็จย่าก็ประคองในหลวงและแม่ลูกต่างก็หันหน้าศบตาเข้าหากันแม่ลูกก็ต่างหันหน้าสบตาเข้าหากัน ข้างล่างก็เป็นภาพลักษณะอย่างเดียวกันแต่อยู่ในอีกมุมหนึ่งในหลวงดูจะสวมชุดทหารหรืออย่างไรเนี่ยเนะ่สมเด็จย่าก็ใช้มือทั้งสองนั้นจับไหล่ลูกชายหัตถยศสัทธิสีวาจาวาจาของคนย่อมส่องให้เห็นน้ำใจ ต่อไปเป็นภาพในหลวงสมัยยังเป็นเด็กหนุ่มดูจะเชื่อมต่อระหว่างวัยหนุ่มรุ่นนะนีกับการวัยเด็กกําลังเข้าสู่วัยหนุ่มด้วยซ้ําไปตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ฉายภาพให้เห็นได้ก็จะดีมากเนี่ยไหมภาพในหลวงขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นเข้าใจว่าคงจะเป็นวัยรุ่นอายุสิบเศษเศษอะ่ะอายุประมาณสิบเศษเศษ เป็นภาพที่มีปรากฏในหนังสือนี้มัดปัยุตาสตาสาธุความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สาเร็จทุกเมื่อต่อไปก็เป็นภาพในหลวงตอนเป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกันแต่มุมกว้างด้านกวาตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะฉายภาพให้เห็นเป็นภาพที่ในหลวงกำลังดูดดื่มน้ำหรืออย่างไรนี้แหละสมัยนั้น กเ็เป็นเด็กหนุ่มที่กำลังดื่มน้ำเข้าใจว่าคงเป็นการดื่มน้ำะนะนกิดฉังสัตถรรรมสวนังการฟังธรรมจากสัตว์บุรุษเป็นการยากภาพถัดไปเปิดหน้าต่อไปนะพี่น้องนะเรามักจะเห็นว่าในหลวงเนี่ยเป็นช่างประดิษฐ์ มีการทำโน่นทำนี่แสดงออกซึ่งงานฝีมือตามแบบที่ผู้ชายะจะพึงกระทาอยู่โดยทั่วไปภาพที่เราเห็นในหน้านีเน้เป็นภาพที่ในหลวงแสดงความมันแสดงความขยันขันแข็งในการประกอบกิจการงานนะดูจะเป็นช่างหรืออย่างไรนี่แหล ะ, ะมีพระบาลีกำกับไว้ข้างล่างภาพว่าอุตถาตาวินทะเตทะนงังคนขยันย่อมหาทรัพได ในเรื่องทรัพเนี่ยในหลวงก็คงไม่ได้มีความมุ่งหวังอะไรในเรื่องนั้นนะเพียงแต่ว่าพระองค์แสดงฝีมือความสามารถในการประกอบกิจทำการงานแม้เป็นงานช่างเป็นงานผู้ชายทั่วๆไปพระองค์ก็ทรงกระทำความมือเนี่ยเป็ น, นัเป็นภาพลงรายละเอียดการที่ในหลวงประกอบกิจทำการงานแสดงฝีมือออกมาให้ปรากฏโลกาปัธรมิตาโลโกปัธรม พิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องขำจุนโลกนี่ก็เป็นภาพที่ทำให้เราได้เห็นต่อไปก็เป็นภาพคู่ระหว่างในหลวงกับสมเด็จยา่ามีการประคองสมเด็จยา่าดังที่เราเห็นอยู่นะก็ต้องเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเวลาจะนำเสนอภาพออกทีวีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันท่วงทีเหมือนกับการเปิดหนังสือเพราะนั้นการที่ท่านทั้งหลายเนี่ย นำหนังสือไปอ่านเองเนี่ยจะเปิดหน้าไหนก็เปิดได้ทันท่วงทีแอก็จะทำให้เป็นความสะดวกแก่ท่านัหลายทุลโภปุริสาชัญโยบุรุษอาชาในหาได้ยากัภนภาพอื่นๆก็ขออนุญาตผ่านไปสตันจะคันโปธปฏิวัฒเมติกลิ่นของสัตว์บุรุษย่อมหอมทวนลมได้ อันนี้เป็นการบรรยายใต้ภาพที่ในหลวงทรงเข็นรถสมเด็จยา่าเป็นการบรรยายใต้ภาพที่ในหลวงทรงเข็นรถสมเด็จยา่าโดยมีสมเด็จย่านั่งยิ้มยู่ในรถเข็นบนรถเข็นสมเด็จในหลวงเข็นพระราชินียืนอยู่ข้างหลังสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งยืนอยู่ข้างๆ้ะงนะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอีกภาพหนึ่ง ถัดไปเป็นภาพที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงอันนี้ก็เป็นภาพที่ควรจะต้องน้อมนำมาสู่การพิจารณาปัญญาชีวีชีวตตมาหุเศษถังมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประก่าวว่าประเรสริฐสดดังนี้เห็นแล้วั้ยภาพแม่ลูกจากนั้นก็เป็นภาพเล็กๆซึ่งขออนุญาตผ่านไปคัตติโยเศธโถชะนะศ ชเนตัสมิงขติโยเศธโธชเนตัสมิงพระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดนะต่อไปเป็นความหวังสุดท้ายเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจวันนั้นในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าเฝ้าแม่อยู่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแม่ปรนิบัติแม่ จนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับจนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับพอไปถึงวังเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนในหลวงรีบกลับไปสิริราชในหลวงรีบกลับไปสิริราชอืมตรงนี้อ่านตกไปไม่เป็นไรในหลวงรีบเสด็จกลับไปสิริราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียง ในหลวงทำอย่างไรครับในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่าลงที่หน้าอกแม่คุกเข่ากราบลงที่หน้าอกแม่พระพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ในหลวงตรัสว่าขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายศพหน้านิ่งอยู่นาน แล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วศพหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือกุมแม่ไว้ มือนิ่มๆที่ไกวเปลยนี้แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกแม่ปั้นมองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงจับหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวีหวีหวีให้แม่สวยที่สดุดแต่งตัวให้แม่สวยที่สดุดในวันสุดท้ายของแม่ เป็นภาพที่ประทับใจอาจารย์ที่สุดเป็นสุดยอดของลูกกระตันยูหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วกระสัิยอดกระตันยูขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอจบส่งท้ายด้วยบทกวีสั้นๆหอมกลิ่นกระตันยูดอกไม้รวยรินกลิ่นหอมลอยลมดมดอมหอมได้ กะตันยูชูกลิ่นขจรไกลผู้ใดกะตันยูเป็นผู้ดีพระราชาเป็นสง่าแห่งรัฐประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีทุกมากเป็นที่มาแห่งบารมีหน้าที่เป็นบรรทัดปฏิบัติธรรมพุทโทรธธรรมโมสังโฆลูกชาย ช่ำชองประคองแม่เหลียวแหลรอบรายซ้ายกว่ามื่อลูกจับมือแม่ผู้แก่ชาราใจมัน่นกตัญญูตาหยุดท่าเดียวด้วยแรงแห่งรักประจักษ์แล้วก็ลูกแก้วเฝ้าแหนแน่นเหนียวแม้งานลูกมากยากจริงเชียว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 ของชอบของชิมอิ่มอุดมแม่อร่อยในอารมณ์สกุราเห็นลูกน่ารักกระบาปักแม่คุกเข่าแน่วแน่อยู่เบื้องหน้าพนมมือใจมั่นกระตันยุตาก้มหัววันทาน้อมคารวะแม่ลูกรุ่งเรืองกระเดื่องเดทก็ เ, เป็นลูกมาตุเรศผู้เสียสละ กระาบนี้เล็กน้อยไปหน่อยนะจักจริงจังตั้งสัจจะเทอิญพระคุณ เกิดกวันนั้นวันสุดท้ายไม่เคยระแคะระคายเคืองคุณลูกยังคงไปหาไปการุณ น, นอกนบอบอุ่นแดมานดาเนิ่นนานผ่านไปเร็วไวนะักเมื่อลูกรักหันเหกับเคหาโทรศัพท์รับสายสลายอุรา